เราเป็นผู้ไฝ่ธรรมนะธรรมะนี่ต้องทําให้ซึมซัเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปีกับใจจะทําให้ซึมซับเข้ามากับเนื้อกับตัวกับปีกกับใจได้อย่างไรนะการอ่านการฟังก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่พอนะ ขอเขตความหมายของการปฏิบัติธรรมโดยพอในพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถ้าพูดง่ายๆก็คือการทำความดีแล้วก็การเปิดใจให้เห็นความจริงความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนะความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเห็นต้องเข้าถึงการทำดีก็คือทำดีที่กายวาจาใจ ทำให้กายดีวาจาดีใจดีกายดีนี่ไม่ได้ไหมายถึงว่ามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยอันนั้นมันเป็นส่วนประกรอบเป็นส่วนเสริมแต่กายดีในที่นี้หมายถึงมีพฤติกรรมทางกายที่ดีไม่ไปเบียดเบีย น, นใครไม่ใช้กายนี้ในการไปเอารอเราะเรียบใครจะใช้กายนี้เพื่อการทาความดี เริตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลศีลนี่มันเป็นกำแพงขวางกัน้นไม่ให้เราไปทำชั่วแม้มือไม่ทำชั่วแล้วก็ต้องทำความดีเสริมเข้าไปวาจาดีก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่ว่าพูดเพรา ะ, ะพูดเพราะแต่ว่าเป็นคำเท็จเป็นคำประจบประแจงป้ายอกก็ได้นะอันนั้นไม่ใช่ความหมายของคำว่าพูดดี พูดดีก็คือพูดความจริงนะพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าหลังหลังคําสัตย์ให้วาจาของเรานี่มันเป็นมีคําสัตย์ที่หลังออกมาเป็นความจริงเป็นประโยชน์พูดจริงแล้วไม่พอต้องมีประโยชน์ด้วยความจริงจะไม่มีประโยชน์นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสมี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 บางทีเราเจตนาดีแล้วก็พูดชมเขาแต่ว่าคนอื่นนี่เขาไม่พอใจเขาอิจฉาคนที่ได้รับคำชมก็เลยกลายเป็นว่ามีศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าชมโดยที่ไม่ได้ดูการละเทศะแม้ว่าเจตนาดีพูดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะ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 หรือว่าการทำสมถะกรรมาฐานนี่ก็เพื่อให้ใจนี่มีคุณภาพดีนะมีเมตตาไม่มุ่งร้ายไม่วันไหวต่อความอิจฉาพยาบาทหรือโทสะที่เข้ามาครอบงําำที่เข้ามารังควานจิตใจการภาวนานี้ก็เป็นการทำความดีอย่างนึงนะแต่ว่าเป็นการกระทำที่ จิตที่ใจนะซึ่งําไปสู่วาจาที่ดีและการกระทําที่ดีงามตามไปด้วยแต่ถามว่าเท่านี้พอหรือยังนะไม่พอน ะ, นะต้องเปิดใจฝึกใจใหเห็นความจริงหเห็นสัจธรรมด้วยหากว่าใจนี้เข้าถึงสัจธรรมนะและขณะเดียวกันก็ทำความดีทั้งกายวาจาใจ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 ร่างกายวาจาใจแล้วก็การเห็นความจริงนะถ้าพวกเรามาเจริญภาวนากัอนอยู่นี่นะก็ต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ใช่เพียงแค่ฝึกใจของเราให้ดีฝึกใจให้สงบให้มีสติตื่นรู้เท่านั้นนะแต่ว่าต้องนําไปสู่การเห็นความจริงด้วยเห็นความจริงคือเกิดปัญญาเน้นเอง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 แม้ว่าจะอยู่ในนั้นยาวนานแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหวนกลับมานะสู่พบที่ต่ำกว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอาจจะถึงกับเดราัชานก็ได้ก็เวียนไหวตายเกิดอย่างนั้นแหละนะเพียงแต่ว่าถ้าทำความดีแล้วนะก็จะทำให้ได้ไปอยู่ในพบภูมิที่เป็นสุคตนะิก็คือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป หรือว่าทำให้จิตเนี่ยได้นะพัฒนาจนกระทั่งเหมือนกับว่าอยู่ในชั้นพรหมนะต่อเมื่อได้เกิดปัญญาเห็นความจริงความจริงที่เราคือสัจธรรมนะนะถึงจะหลุดพ้นจากวตารสงสารได้แต่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้หวังขนาดนั้นไม่ได้หวังนิพพานหวังแค่ขอให้มีความสุข ถ้าต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ยั่งยืนนะเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกน้อยก็ต้องนะมันภาวนาเพื่อให้ใจไม่เห็นความจริงด้วยนะนะทาความดีอย่างเดียวไม่พอต้องให้ใจไม่เห็นความจริงถึงจะได้มีความสุขนะแมนะ้จะยังไม่ใช่เป็นความสุขขั้นบรมสุขคือนิพพานนะแต่ว่า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 เห็นความจริงว่ามันเป็นไปตามกระแสคือปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเห็นแจมแจ้งในอริยสัจส4หลายคนก็อาจจะรู้สึกท้อขึ้นมาว่าโอ้เห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากปฏิจจสมุปบาทนี่แม้แต่จะอ่านหรือทำความเข้าใจก็ยังเรื่องยงเป็นเรื่องยาก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 ก็เลยกลายเป็นว่าการเห็นสัจธรรมความจริงเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเลวิสัยที่จริงยังไม่ต้องไปเห็นถึงขนาดนั้นก็ได้เอาแค่เห็นนะความจริงอย่างที่เราสวดเมื่อสักครูนเนี่ยนะที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยพินหปัจจเจวก็คือเห็นว่าเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงเพินความแก่ไปไม่ได้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 ถ้าทําไงถึงจะไม่ทุกข์ใจนะคําตอบไม่อยู่แล้วคือการนะพิจารณาความจริงสี่ประการนี้นะยังไม่ต้องเห็นความจริงถึงขั้นใจรักอันที่จจังทุกขังอนัตตก็ได้บางคนบอกโอ้อันที่จังก็พอเข้าใจได้ทุกขังก็รู้สึกเข้าใจได้ยากขึ้นพอเรื่องอนัตตนี่ไม่เข้าใจหรือว่าหมายถึงอะไร ไม่เป็นไรยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่ า, าพินหับปัจเวกซึ่งเป็นความจริงพื้นฐานนี่นะเปิดใจยอมรับมันจริงๆและเวลาที่เหมาะสำหรับการเปิดใจยอมรับมันนะก็คือตอนที่เราเจอทุกข์กับตัวแล้วก็คือว่าตอนที่เราเจ็บตอนที่เราฟ่วยนะหรือว่าตอนที่กำลังแก่ชารา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 มันไม่ยอมรับมันปฏิเสธนะและโอกาสยิ่งนีแหละนะที่เราจะต้องเปิดใจยอมรับความจริงให้ได้เพราะถ้าจิตมันไม่ยอมรับความจริงนะมันไม่ได้แค่ทุกข์กายเดินนะมันจะทุกข์ใจด้วยจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีขี้ไม่ออกด้วยหรือเวลาของหายเนี่ยนะของหายเนี่ยไม่ว่ามันจะราคาแพงเท่าไหร่เนี่ย พอใจไม่ยอมรับนี่นะบางีไม่ได้น้อยไม่หลับเหมือนกันนะบางทีป่วยเลยนะจะอายุมากหรือน้อยเนี่ยก็ตามพอของแักของห่วงเนี่ยมันหายไปเป็นมรกฏเป็นทับทิมเป็นทองเป็นเพชรนะหรือหนักกว่านั้นคือคนรักบางทีเขาไม่ได้ตายจากไปนะเขาเพียงแต่ทิ้งเราไป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 มันก็ทำให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่มีจิตที่เศร้าหมองหดหู่ข้อที่5ก็สำคัญเหมือนกันนะอภิษณะปัจเวรข้อที่5เรามีการเป็นของของตนนะเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นแดงเกิดเรามีกรรมเป็นเผาพัน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 ร้องขอไม่ได้จะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ใช่วิสัยแต่ต้องอาศัยพึ่งพาการกระทำของเราคำว่ากรรมเนี่ยก็คือการกระทำนคนเราทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้พึ่งกรรมลวเราไปพึ่งอย่างอื่นไปพึ่งเส้นสายบ้าง พึ่งเงินทองหรือว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารบ้างนะอยากสอบได้แทนที่จะขยันหมั่นเพียรนะก็อาศัยเส้นสายอาศัยเงินนะไปซื้อเกรดเดี๋ยวนี้ปริญญาทั้งโทเอกตรีด้วยซ้ำนะจำนวนมากที่ออกมานะจากหมหาวิทยาลัยต่างในเมืองไทยนี่ซื้อเอากัน ยอะแยะไปหมดเลยวิทยานิพน์ก็ไม่ได้ทําเองแต่จ้างคนอื่นทำํำหรือแม้แต่ตําแหน่งก็ไม่ได้เกิดจากนําพักนาแรงของตนแต่เกิดจากการวิ่งเต้นใช้เส้นสายหรือใช้เงินอั น, นี้มันสร้างคันยมที่ทําให้คนเนี่ยไม่พึ่งพาความเพียงของตนแล้วแต่ไปพึ่งพาสิ่งอื่นแทน อันนี้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธ น, นะชาวพุทธเนี่ยเราต้องพึ่งพาการกระทาซึ่งประกอบไปด้วยความเพียร น, นะบูจารย์ว่ามนุษย์เนี่ยร่วงพ้นได้เพราะความเพียรเราอยากมีความสุขนะในชีวิตนี้นะก็ไม่ควรจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไม่ควรหวังหวังบุญอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้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 ไม่รู้จับฝึกใจให้เห็นความจริงรวยแค่ไหนประสบความสลดเพียงใดมันก็ยังทุกข์ใจอยู่คนที่ประสบความสร็จในชีตมีหน้ามีตามีตาแหน่งที่เป็นโรคเครียดจนความดันขึ้นหรือว่าต้องกินยานอนหลับหรือต้องกินยาคลายเครียดนี่ก็เยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าเขานะไม่ได้คิดที่จะฝึกใจเปิดใจให้เห็นความจริง จนกัะทั่งรู้จักปล่อยวางได้หรือมองว่าให้ความทุกข์ความพันผลปนไปในชีวิตนี้นก็เป็นธรรมดาโลกนั้นถ้าเรานะพึ่งความเพียรของเรานะโดยเพราะนะไม่เพียงแต่ธรรมาหากินประกอบสมาชีวะนะแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมมาเจริญภาวนายอมลำบากยอมเสียเวลาอย่างที่พวกเราทำอยู่นี้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 เราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือรับผลของกรรมที่ทำไว้ชาติที่แล้วนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนมากแล้วก็ยิ่งไปคิดว่าเราต้องรับกรรมที่เป็นเราต้องรับผลของกรรมนะที่เป็นกรรมเลวในชาติที่แล้วอันนี้ยิ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใหญ่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรม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 ความเชื่อมันอ่นในนี้เราเรียกว่าศรัทธานะศรัทธาเราต้องศรัทธานะมีศรัทธาในกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในที่นี้หมายถึงว่าทำดีย่อมได้ดีนะเมื่อจเจริญสติย่อมมีสติเป็นผลอย่างแน่นอนแต่ว่าสติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเกิดขึ้นเทีลนิเทเละหน่อย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 มันโตทุกขณะยิ่งยิ่งถ้าเป็นเป็นไผ่ด้วยแล้วนี่นะเห็นความเติบโตของมันนะทุกชั่วโมงแต่ต้นไม้บางอย่างรืยว่าต้นไม้ที่มีค่านะมันจะเติบโตช้าแต่มันเติบโตทุกขณะนะการปฏิบัติธรรมเราก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเราจเจริญสติสติมันก็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 บางทีไม่ต่างจากคนจ้องดูเข็มชั่วโมงอันนะเข็มชั่วโมงนี่นะถามว่ามันเคลื่อนไหมมันเคลื่อนแต่ดูเัลินๆนี่มันไม่ขยับเลยแต่เราลองหลับตาดูสักสิบนาทียกยี่สิบนาทีเดี๋ยกก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนเยอะมากทีเดียวแต่ถ้าเราไปจ้องมองมันเราจะรู้สึกว่ามันไม่เคลื่อนแล้วรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินเกิดความทุกขึ้นมาอีกอนัก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 อาจารย์อิชิอินะมีชื่อมากในหมู่นักประวัติศาสตร์ไทยเพราะว่าท่านนี่ก็มีผลงานด้านประวัติศาสตร์ไทยอยู่อาจารย์อิชิอินี่ไม่ได้จบปริญญาที่ไหนเลยปริญญาตรีนะมาเมืองไทยตั้งแต่อายุยี่สิบเศษเศษเป็นคนฉลาดมากแล้วก็ความสามารถพิเศษจะเรียกเป็นความสามารถพิเศษก็ไม่ได้เรียกว่าคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครก็คือเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษามาก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 คนก็ถามว่าท่านมีหลักยังไงในการเรียนภาษาท่านบอกว่าการเรียนภาษานะต่างประเทศนะมันไม่ต่างจากการตักน้ํ า, นะ า, า ใ, หให้เต็มด้วยกระชอนเพื่อเรารู้จักกระชอนไหมกระชอนที่ทําด้วยผ้านะที่เขาเอาไว้จับลูกน้ําเติมน้ําให้เต็มตักน้ําให้เต็มด้วยกระชอนเราคิดดูเสียว่ามันกว่ามันจะเต็มนี่แก้วเนี่ย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 มีกี่คำที่ต้องจำถึงจะรู้ได้ถึงจะเข้าใจอย่างตามก็3 0 0พคำา5 0 0 0คคำก็ต้องเปิดพจนานุกรมแล้วเป็นเรยว่าเป็นไม่ใช่หมื่นๆ น, นะเป็นแสนแสงครั้งกว่าจะจำสับได้ถึง 3,000 ันหาคำให้การเจริญสตินี่ก็ไม่ตาจากการเรียนภาษานะที่จริงการที่เราจะ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 อย่างเราพอทำวัดเสร็จเราจำได้ว่ากุกติเราหรือว่าเต้นเราอยู่ตรงไหนนะให้การจำได้นั่นแหละคือสติเป็นงานของสติแต่ว่าสติที่เราฝึกนี่เป็นสติอีกแบบหนึ่งคือสัมมาสติคือสติที่ช่วยให้รู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะแต่ว่า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 ไม่ต่างจากการเติมน้ำให้เต็มด้วยกระชอนเหมือนกันนะถามว่าเติมตักน้ำด้วยกระชอนใส่แก้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มั น, ม, นมีน้ำติด ม, มั้ยก็มีน้ำติดแต่มันเทเลยหยด2หยดแต่มันไม่เคยไม่เคยไม่มีน้ำติดมันเลยตักแต่ละครั้งได้ผลทั้งนั้น ตแต่ละครั้งมีผลเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ว่ามันผลเกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเราต้องอดทนเราต้องรู้จักรอคอยไม่เร่งรีบแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดอันนี้คือคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการฝึกฝนจิตใจให้เห็นสัจธรรม ให้การที่เห็นความจริงนะมันก็ต้องสัมผัสกับความจริงอยู่ บ, บ่อยๆอยู่ บ, บ่อยๆจนกระทั่งจิตเนี่ยมันยอมรับมันยอมแพ้มันไม่ต่อตา้านมันเปิดใจรับความจริงแลเมื่อเราเห็นความจริงไม่ใช่แค่รู้จำนะเวลาเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาป่วย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 เห็นความจริงเรื่องรูปนามเห็นความจริงเรื่องใตรับอริยสัจ4ี่หรือว่าปฏิจจสมุปบาทได้แต่ก็อย่าคาดหวังนะจะเห็นสิ่งยากๆกตามได้ที่ไอสิ่งง่ายๆพื้นพื้นนะเช่นความแก่ความเจ็บความพัดพรากสูญเสียความตายเรายังไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมเปิดใจต่เมื่อเราเปิดใจนะยอมรับนะ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 เพราะว่าเราทุกคนนั้นเป็นผู้รับผลของกรรมที่ได้กระทำนะกรรมของคนอื่นก็ไม่สำคัญเท่ากับกรรมที่เราได้กระทำถ้าได้กระทำแล้วผลแห่งกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะขอให้เป็นกรรมดีก็ตามนะเอาละ่นะานี้ก็เพื่อกระท่านนี้กับะ